พระผู้มีประภาคตรัสหมายถึงภิกษุณีที่เป็นอุปชาคำว่าตลอดสองปีคือสิ้นสองปีคำว่าไม่ติดตามคือไม่อุปถาเองพอทอดทุรว่าจะไม่ติดตามไปตลอดสองปีต้องอาบาปปัติปลายจิตตี